ไม้มุ่งช่วยงานโปรสุดคนตื่นฝันไม้จิตทำไม่วันปณิทานไกลอาจารย์ยังข้างกายติดรักทุกคนทุกๆคนรวมใจร่วมแรงเพราะอาจารย์ไม่เคยห่างไกล เพราะ อ, อาจารย์ปากไวกับท้ายยุปลายโลกนี้ที่วุ่นวายต่างหลืมทิศฟ้าลงต้นยิ่งหาทงทำมามาช่วยคนช่วยคนต่นเห็นทร โปรดทานี้ฝ้าคนรวมไปบุกเบิกทาให้ถึงซึ่งตังเรตบ้านนามอยู่ที่ใจทุกคนช่วยตนช่วยคนตื่นทำสำคัญยิ่งใหญ่รวมไปที่ใจทำนี้ นั้นเป็นเหมือนสิดคน ราอจานไม่เคยห่างไกลจากสิ์เพราอจานฝากไว้กับท้ายยุปลายโลกนี้ที่วุ่นวายต่างลืมจิตฟ้าลงมต้นยิ่งห่างทํามา คนช่วยคนตื่นเห็นธรรมทำให้คนแจ้งเกิดตื่นนิรันยิ่งใหญ่งานโรอดทำนี้ฟ้าคนรวมไปทุกเบอร์ทำให้ถึงซึ่งสำเร็จเบอาน ง, งามอยู่ที่ใจทุกคน ช่วยตนช่วยคนตื่นทำสำคัญยิ่งใหญ่รวมไปที่ใจทำนี้ชี้นำบูบานใจนั้นเป็นเหมือนสิทธิคนดีบูบานใจนั้นเป็นเหมือนสิทธิคนดี